ท่านพระครูนันทาพิวัตรอดีตเจ้าอาวาสวัดกู้ตำบลบางพูดซึ่งปัจจุบันท่านก็ได้มรณภาพไปแล้วได้เล่าเรื่องราวการได้เผชิญหน้ากับดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตให้กับผู้ที่ไปทำบุญไถ่ายชีวิตโคกระบือที่วัดกู้ได้ฟังค่ะ โดยท่านได้อารมพบทตั้งแต่เริ่มมาบูรณะวัดกู้ที่ทางเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีบัญชาให้ท่านพระครูนันทาพิวัตรที่ตอนนั้นเป็นพระฐานานุกรมทำหน้าที่เลขานุการไปทำการสำรวจวัดกู้เพื่อจะถอนวิสุงคามสีมาค่ะเพราะเป็นวัดร้างขาดการบูรณะเมื่อได้รับบัญชาแล้วก็ได้เหมาเรือยนเดินทางมาขึ้นที่หน้าวัดกู้ท่านพระครูได้เล่าว่า พงอ้อพงแขมในี่ขึ้นสูงท่วมหัวตั้งแต่ท่าน้ำจนถึงเขตวัดเหมือนพงเสือต้องเอามือแบกไปเรื่อยๆมือหนึ่งถือแผนที่วัดของกรมการศาสนาที่ท่านเจ้าคณะมอบให้มาเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนในแผนที่ระบุว่ามีพระพุทธสยญาติอยู่องค์หนึ่ง จึงแหวกพงยาบไปจนเจอพอเห็นเต็มตาเท่านั้นท่านพระครูน้ำตาซึมพระพุทธไสายาศสร้างจากปูนปั้นแตกร้าวชำรุดสุดทมด้วยกรมแดดกรมฝนมาเป็นเวลานานก้มลงกราบมองดูพระพักที่แตกร้าวของหลวงพ่อพระพุทธไสายาศพลันจิตใต้สำนึกคลายได้ยินหลวงพ่อพระพุทธไสายาศพูดกับท่านพระครูว่า หากถอนวิสุงคามสีมาจากการเป็นวัดเสียแล้วจากนั้นจะมีการรื้อสรรพสิ่งที่อยู่ในอนามบริเวณวัดรวมทั้งองค์ฉันด้วยเพื่อปรับพื้นที่ให้กรมการศาสนาสามารถเปิดประมูลขายให้เอกชนเมื่อตกเป็นของเอกชนแล้วฉันจะถูกรื้อทิ้งกลายเป็นเศษอิฐเศษปูนเอาไปถมที่ให้คนเขาเหยียบย่ำเธอกล้าเสนอให้ถอนวิสุงคามสีมาได้ลงคอเชียวหรือท่านฐานานุกรมกลับไปนมัสการท่านเจ้าคณะจังหวัด กราบเรียนว่าอย่าเพิ่งถอนวิสูงคามศีมาเลยขอรับที่ดินทำเลดีนักมีชุมชนอยู่โดยรอบหากมีผู้ชักชวนให้ฟื้นฟูโบราณวัดขึ้นมาใหม่ย่อมเป็นไปได้โดยเฉพาะองค์พระพุทธไสยาสน์ปูนปั้นพระพักตศิละปะน่าจะถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีน่าเสียดายนักหากจะทุบทิ้งท่านเจ้าคณะตำบลบางพูดมาติดต่องานกับท่านเจ้าคณะจังหวัดพอดี ท่านเจ้าคณะจังหวัดจึงถามเจ้าคณะตำบลบางพูดเจ้าของพื้นที่ต่อหน้าพระครูนันทาพิวัตรว่าอย่างไรท่านพระครูพอจะฟื้นฟูบุณะขึ้นใหม่ได้ไหมเล่ากราบเรียนพระคุณท่านไม่มีทางขอรับเพราะสุดโทมจนเหลือกําลังจะฟื้นคืนได้แล้วขอรับท่านเจ้าคณะจังหวัดหันมาถามท่านพระครูนันทาภิวัตรว่าเอาอย่างไรดีท่านเลขาจะให้หาใครไปบูรณะเล่าก็เจ้าของพื้นที่เขายืนยันว่าทําอะไรไม่ได้แล้ว กระผมเห็นว่าพระคุณท่านน่าจะปิดประกาศหาพระที่จะอาสารับฟื้นฟูวัดกู้ขึ้นมาอีกครั้งเผื่อจะมีพระที่มีบารมีสูงพอที่จะฟื้นฟูวัดนี้ได้เจ้าคณะตำบลบางพูดตัดบทต่อหน้าท่านเจ้าคณะจังหวัดทันทีเสียเวลาเปล่าขอรับพระคุณท่านไม่มีใครอาสาหรอกขอรับเห็นสภาพวัดแล้วไม่ว่าใครก็คงจะถอดใจหมดท่านเจ้าคณะจังหวัด ให้ปิดประกาศหาพระที่จะอาสากอบกู้วัดกู้ขึ้นมาจากซากปรักหักพังเป็นไปตามที่เจ้าคณะตำบลบางพูดบอกไว้สมเดือนผ่านไปไม่มีใครขันอาสาท่านเจ้าคณะจังหวัดก็เลยปลดประกาศลงมาเรียกท่านพระครูนันทาพิวัตรที่ตอนนั้นเป็นพระครูฐานานุกรมมาบอกว่าสาเดือนแล้วไม่มีใครอาสามาฉันจะทารายงานไปยังกรมการาศาสนาให้ถอนวิสุงคามสีมา ให้ที่ดินผืนนั้นเป็นที่ดินเปล่าเพื่อขายให้เอกชนนำรายได้เข้าไปในงบของกรมการศาสนาต่อไปถ้าอย่างนั้นกระผมขออาสาเองขอรับพระคุณท่านกระผมจะลองทำดูอย่างสุดความสามารถของกระผมหากไม่สำเร็จอย่างไรแล้วค่อยถอนวิสูงครามสีมาอย่าลืมนะว่าทางกรมการศาสนาไม่มีงบอุดหนุนนะฉันเองก็ไม่อาจจะขอเงินสนับสนุนเธอได้เพราะไม่เข้าเกณฑ์เธอต้องช่วยตัวเองทั้งหมดหากเธอยือนยันฉันก็จะอนุญาต พระฐานานุกรมลงเรือยนต์มาถึงที่หน้าวัดกู้พร้อมบริคารและก็เครื่องใช้จำเป็นมาอาศัยอยู่ที่กุฏิร้างที่พอจะอาศัยกันแดดกันฝนโดยใช้กรดเป็นที่จำวัดนะคะก็ตอนเช้าก็ออกบินทบาดได้พัฒนาหารพอฉันบ้างไม่พอฉันบ้างเพราะชาวบ้านเห็นว่าเป็นพระแปลกหน้าอยู่ๆมาอยู่ในวัดไม่รู้ว่ามาดีหรือว่ามาร้าย แต่ว่าท่านก็สู้อดทนเพราะว่าในอดีตท่านคือพระทุดงที่จาริกมาแล้วทั่วประเทศระจญความลําบากสุดๆก่อนจะวางกรดธุดงมาเป็นพระฐานานุกรมท่านพระครูนันทาพิวัตรได้ออกมาสืบถามประวัติวัดกู้จากผู้เฒ่าผู้แก่ค่ะก็ได้ความนะคะว่าวัดกู้แห่งนี้เดิมชื่อวัดอะไรไม่มีใครรู้มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีพระพุทธสยญาติปูนปั้นที่ชาวบ้านเคารพบูชาว่าศักดิ์สิทธิ์ขาดการทํานุบํารุงมานาน จนมาถึงแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบรมราชาธิราชได้เกิดเหตุสลดใจเมื่อเรือพระที่นั่งที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ลากจูงโดยเรือกลไฟเพื่อไปยังพระราชวังบางปะอินได้เกิดล่มขึ้นในแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดแห่งนี้ โดยพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ได้รับการอัญเชิญขึ้นจากเรือพระที่นั่งมาไว้ที่สาราท่าน้าก่อนจะมีการอัญเชิญพระบรมศพกลับไปยังพระบรมหาราชวังวัดนี้จึงได้รับการตั้งชื่อว่าวัดกู้ซึ่งชื่อนี้ก็หมายถึงการกู้พระศพของสมเด็จพระนางเรือล่มขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่ท่าน้า หลังจากนั้นวัดกู้ก็ได้รับการบูรณะปฏิสังขรเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตตามบันทึกของกรมการศาสนาครั้นเปลี่ยนแผ่นดินวัดกู้ก็เกิดความสุดโทมขาดการบูรณะปฏิสังขรประกอบกับไม่มีเจ้าอาวาสที่มีบารมีพอวัดกู้ก็เลยเหลือเพียงแต่ชื่ออย่างเดียวท่านพระครูนันทาพิวัตรก็เลยได้กราบนมัสการหลวงพ่อพระพุทธสายญาติพร้อมกับบอกท่านว่าผมมาที่นี่เพื่อมาให้วัดคงเป็นวัด แต่ผมตัวคนเดียวคงจะทำอะไรไม่ได้หลวงพ่อต้องช่วยผมนะครับหากสำเร็จหลวงพ่อจะไม่ต้องถูกรื้อเป็นเศษปูนเอาไปถมที่ให้เขาเหยียบย่าหลวงพ่ออย่าทิ้งผมนะครับจากนั้นพระครูนันทาพิวัตรนะคะก็ได้ออกไปบอกบุญกับชาวบ้านให้ช่วยกันถากถางพงยาบริเวณที่ประดิษฐานหลวงพ่อประพุทธใสายาดเป็นอันดับแรกเพื่อให้เห็นค่าว่าหลวงพ่อชารุดทรุดโทมขนาดไหน จากนั้นก็ได้ออกชักชวนชาวบ้านให้ช่วยกันบูรณะองค์ของหลวงพ่อพุทธสายญาติโดยค่อยๆรวบรวมเงินบริจาคเพราะว่าตอนนั้นเริ่มมีชาวบ้านทั้งในท้องถิ่นและก็ต่างถิ่นมาบนบานสารกล่าวหลวงพ่อพระพุทธสายญาติค่ะจนได้รับความสำเร็จและก็มีเสียงเล่าลือกันว่าพระพุทธสายญาติวัดกู้ศักดิ์สิทธิ์นักขออะไรก็สาเร็จสมประสงค์ ท่านพระครูนันทาพิวัตรก็เลยรวบรวมเงินบริจาคไปว่าจ้างช่างปูนปั้นจากบ้านสาลาปูนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาทำการซ่อมแซมหลวงพ่อพระพุทธสายญาติจนกลับมาสมบูรณ์เหมือนเด็ดเหมือนแต่ก่อนนะคะส่วนเงินที่เหลือก็เอาไปสร้างหลังคาครอบองค์หลวงพ่อเพื่อป้องกันแดดฝนอย่างถาวรค่ะในขณะนั้นท่านยังจำวัดในกรดกุติร้าง นในที่สุดค่ะเสนาสนะในวัดก็เริ่มได้รับการก่อสร้างขึ้นเพราะว่าชาวบ้านเห็นแล้วนะคะว่าท่านพระครูมาเพื่อบุรณะวัดนี้ให้กลับมาเหมือนเดิมก็ได้มีการสร้างศาลรพระนางเรือล่มขึ้นที่ริมน้ําหน้าวัดกู้ประกอบพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณมาสถิตผู้คนมาบนบรรสารกล่าวกันอย่างขับขั่งค่ะวันที่ท่านพระครูนันทาพิวัฒน์เผชิญหน้ากันกับดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเรือล่มนั้นท่านได้เล่าไว้ดังนี้นะคะ ท่านบอกว่าอาตามาเดินทางไปตัวจังหวัดแต่เช้าเพื่อนมั ส, สการท่านเจ้าคณะจังหวัดกราบรายงานความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดกู้ที่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆออกจากวัดท่านเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อหาซื้อของมาใช้ในวัดกลับมาลงเรือเหมาลำกลับวัดกู้ถึงท่านำวัดกู้เวลาประมาณสี่โมงเศษยังสว่างโรคอยู่เลย อาตมาก็เลยจ่ายค่าเรือแล้วก็หิ้วของเดินขึ้นจากท่าน้ำพอขึ้นมาถึงที่บนวัดก็เห็นสีกาคนหนึ่งเดินตรงมาจากในวัดหากเป็นสีกาทั่วไปไม่น่าประหลาดแต่นี่แต่งตัวแบบโบราณห่มผ้าสบายปักไหมทองดูสวยสดงดงามอีกทั้งผ้านุ่งทอยกดอกฝีมือประณีตมากก็เลยคิดในใจว่าคงจะเป็นนางเอกลิเกหรือไม่ก็ละครชาตรีมาแสดงแล้วก็มาเดินเล่นที่ท่าน้าหน้าวัดแน่ ด้วยความหวังดีของพระครูท่านน่นะคะจึงรีบเดินเข้าไปกะว่าจะไปเตือนว่าแถวท่าน้ำหน้าวัดเป็นพงอ้อพงแขมสูงท่วมหัวแล้วก็เปรี่ยวมากอาจจะมีพวกคนพานสันดานหยาบมาซุ่มคอยลวนลามให้กลับขึ้นไปเสียมาเผชิญหน้ากันตรงต้นโพใหญ่ก็เห็นหน้าชัดเจนนะคะว่าเป็นคนมีบุญมีราศียังไม่ทันจะเอ่ยปากสีกาก็เดินหายเข้าไปในต้นโพค่ะ หลวงพ่อบอกว่าอาตมาทําอะไรไม่ถูกก็เลยหันหลังเดินจ้ำอ้าวกลับลงไปที่ท่าน้ําแล้วก็ยืนหันหน้าขึ้นมาบนตะลิ่งแผ่เมตตาให้ศรีกาที่เพิ่งหายเข้าไปในต้นโพแล้วก็ยืนอยู่อย่างนั้นจนมีชาวบ้านเขาเห็นว่าอาตมา ถ, ถือของพรุงพระนงเดินขึ้นมาจากท่าน้ําแล้วอยู่ๆก็เดินจ้ำอ้าวกลับลงไปที่ท่าน้ําหายเงียบไปนานผิดสังเกตก็เลยพากันลงไปช่วยกันดูแล้วก็ประคอง พระครูกลับกุตินะคะพอถึงกุติค่ะก็ได้สติคืนมาหมดก็เลยยเล่าให้ญาติโยมฟังญาติโยมบอกว่านั่นแหละพระนางเรือล่มพวกชาวบ้านเห็นกันจนไม่มีใครกลัวแล้วแต่เห็นกลางคืนไม่เห็นกลางวันแสกๆเหมือนกับหลวงพ่อหลายวันต่อมาค่ะก็มีญาติโยมนำพระรูปของพระนางเรือล่มในชุดไทยห่มสบามาให้ดูพอเห็นเต็มตาพระครูท่านก็บอกว่าอาตมาเห็นแล้วขนลุกเป็นหนามขนุนเชียว สรุปว่าเป็นคนคนเดียวกันกับที่อาตมาได้เห็นแล้วก็เดินหายเข้าไปในต้นโพธิ์ท่านพระครูนันทาพิวัตรนะคะก็ได้ทำการบูรณะศาลพระนางเรือล่มที่ท่าน้ำวัดกู้ให้มั่นคงแล้วก็กว้างขวางมากขึ้นค่ะแล้วก็เมื่อสวดมนต์ทวัดก็จะแผ่กุศลถวายดวงพระวิญญาณอยู่เป็นประจำสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะคะก็ได้มานิมิตแสดงความขอบใจที่ท่านพระครูได้สวดมนต์อุทิศกุศลให้ ต่อไปหากมีเรื่องติดขัดแก้ไม่ตกก็ให้จุดทูปบอกจะช่วยแก้ไขให้คืนใดได้กลิ่นดอกไม้หอมประหลาดกลิ่นแป้งรำ่ำหรือว่าแป้งกระแจะก็อย่าตกใจพระองค์ทรงออกมาเสด็จพระดำเนินชมจันทร์ในคืนวันเพน็ญท่านพระครูนันทาพิวัตรตอนที่เป็นเจ้าอาวาสนั้นก็เป็นเพียงฐานานุกรมของท่านเจ้าคณะจังหวัดองค์เดิมที่มรณภาพไปก่อนหน้านี้ โดยไม่ทันที่ท่านจะได้ขอพระราชทานตำแหน่งพระครูให้ในฐานะสร้างวัดกู้ขึ้นมาใหม่ทั้งวัดมีอยู่คืนหนึ่งนะคะพระนางเรือล่มมานิมิรค่ะว่ายินดีด้วยนะว่าที่ท่านพระครูทางการคณะสงฆ์ได้เห็นในความดีของท่านแล้วได้ขอพระราชทานสมณศักดิ์พระครูให้ท่าน วันใดที่ท่านพระครูเดินทางมาเข้าบางกอกเพื่อรับพัดยศให้นำฉันไปด้วยฉันไม่ได้กลับบ้านมานานแล้วตั้งแต่เรือล่มให้นำรูปฉันไปตั้งไว้บนรถในขบวนไปวนรอบพระบรมมหาราชวางังและนำไปจอดเข้าที่เวลาจะกลับให้บอกที่รูปฉันฉันจะกลับมาด้วยท่านพระครูก็เชื่อครึง่งไม่เชื่อครึ่งนะคะจนกระทั่งเวลาผ่านไปเดือนนึ่งค่ะ ก็ได้รับจดหมายจากท่านเจ้าคณะจังหวัดองค์ใหม่ค่ะให้เดินทางไปรับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศในพระบรมมหาราชวางังในสมณศักดิ์ที่พระครูนันทาพิวัตรและเจ้าคณะตำบลบางพูดในคราวเดียวกันท่านพระครูนันทาพิวัตร ก็ได้ติดต่อไปยังศิลปากรเขตให้มาสำรวจหาที่ตั้งของสาราท่าน้ำเก่าที่อัญเชิญพระศพสมเด็จพระนางเรือล่มขึ้นมาจากเรือพระที่นั่งที่แท้จริงนะคะเพราะเชื่อว่าการเวลาที่ผ่านไปนั้นแผ่นดินงอกออกไปสาราท่าน้ำน่าจะขึ้นมาอยู่บนโบกแล้วเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรก็ได้มาทำการสำรวจจนที่สุด ก็ขุดพบตำแหน่งของศาลาท่าน้ำบนพื้นที่วัดด้านบนจริงโดยพบเสาศาลาครบทั้งหมดค่ะจึงได้สร้างศาลาคอนกรีตถาวรทับลงไปบนเสาศาลาเดิมก็มีผู้สร้างพระรูปหล่อของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์กับพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบรมราชาธิราช ประดิษฐานไว้เคียงคู่กันในสารลาเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักของทั้งสองพระองค์มาจนทุกวันนี้ค่ะส่วนการเดินทางไปสาการะสารสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ที่วัดกู้ทำได้สองทางทางแรกคือขับรถหรือโดยสารรถประจำทางมาลงที่ท่าน้ำปากเกลด็ด หากขับรถมาเองก็มาถึงท่าน้ำปากเกร็ดแล้วก็กลับรถเลี้ยวซ้ายไปตามถนนแยกมีป้ายบอกว่าไปวัดกู้หากนั่งรถประจำทางก็ให้ต่อสองแถวที่ท่าน้ำปากเกร็ดไปวัดกู้ได้เลยนะคะ อีกทางนึงคือขับรถหรือว่านั่งรถเมมาตามถนนติวานนท์เลยห้าแยกปากเกร็ดขึ้นมาก่อนถึงโรงเรียนอัมพรไผศาลก็จะมีถนนแยกเข้าไปวัดกู้ขับรถเข้าไปตามถนนหรือว่าลงรถเมที่หน้าโรงเรียนอัมพรไผ่ศาลแล้วก็เดินย้อนมาขึ้นรถสองแถวเข้าไปวัดกู้ก็ได้ค่ะเรียบเรียงจากคำบอกเล่าของท่านพระครูนันทาพิวัตอดีตเจ้าอาวาสวัดกู้และเจ้าคณะตาบลบางพูด